นี่เป็นกรุณาบวกปัญญาเนีฉะนั้นสภาวะของพุทธะเนี่ย<ม>เข้าใจอย่างว่าเป็นปรามัตดส่วนธรรมะคืออริยสัจสถ้าโดยตรงก็คือมัดสี่ผล4ี่นิพพานหนึ่งนั่นคือคือธรรมะอันนั้นก็คือปรมัตดเห็นไหมสภาวะที่พุธธทธะแทงตลอดเองเ่ยส่วนสังขาก็คือว่าสภาวะที่ตัดสู้ตามพุทธะเห็นไหมนี่คือสังขะสรุปแล้วก็คือพุทธะ ธ, ธรรมะสังขารวมกันเป็นหนึ่งก็คือความดับอะไร ความดับทุกเป็นปรมาตย์หมดไหมเป็นปรมาตย์หมดเลยพอพิจารณาอย่างนี้เวลาไปเจริญพุทธคุณแล้วจะได้ชัดนะจะได้ชัดเจนอันมากล่าวหลายรอบเปยนเรื่องนี้น<ช>อ๋อก็คือสภาวะของธรรมะธรรมะก็คือโลภุตระธรรมเก้ามรรคสีผล4ีนิพพานหนึ่งส่วนสภาวะที่ตัดสรู้ตามคือสังขะสภาวะที่ตัดสรู้ตามก็แปลว่ากลุ่มนี้ก็คือฟังธรรมะจากพุทธะนั่นแหละแล้วก็ตัดสรู้ตามก็เป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสภาวะแห่งอาาธมารดาผลนั่นแหละ แต่ธรรมอาาธผลประเภทลองๆมันนี่ยจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องฟังธรรมะจากพุท ธ, ธอย่างเงี้ยนี่นะใช่ไหมว่าพุทธทางแสดงก็ะฉามีธรรมังแสดงก็ะามีสังข์ทางแสดงก็ะามีรวมเป็นหนึ่งคือการดับทุกข์ใช่ไหมคือสภาวะที่ดับทุกข์นั่นเองเราเราจะเป็นหนึ่งในสังขาได้ยังยังดับทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมน้อมที่จะเป็นสังขารไหมน้อมไหมพร้อมไหมยังพร้อมเลยนะพร้อมแล้วก็อย่าห่วงอะไรมาก พอห่วงมาก็เป็นไม่ไใช่ไหมเป็นเครื่องกังวลใหญ่กันเลยนะเข้าใจว่าเดพยายามดึงยังไงนะแต่พวคนดึงหมดแรงแล้วคนดึงหมดแรงรอาจารย์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดแรงนะพวกเรายไม่ไตรงนี้ก็คือว่าท่านชะสัมมาสัมพุทธเที่ว่าตรัสรู้เองโดยชอบคือตรัสรู้ริยสัต์ใช่ไห โดยหลักการจริงๆท่านเอาจักขู่จับขู่สมุทยาจักขุนิโรธะจักขุนิโรธาครับมีปฏิเวธานเป็นมาเป็นเบื้องต้นให้นั่นคือคำว่าสัมมาส ม, มุทธาท่านตัดสู้ยริยสัจธรรมด้วยพระองค์เองใช่ไหมก็หมายความว่าท่านสาท่านมาตัดสู้ทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเราขันห้ามาวิจัยท่านก็ตัดสู้เห็นประจุมโลภะญาณทีมหมดเอารูปประคันมาก็ได้เอาเวทนาขันมาก็ได้ยกตัวอย่างเวทนาลูกศาสนาที่เราจะเรียนเพื่อเรียนกันมาตั้งครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะ ในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยผู้ได้เจ้าเห็นอริยสัจพ่อสัมมาสัมพุทธะเรียบร้อยหมดเลยฉะนั้นเวลาเราศึกษาในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นต้องเชื่อมโยงให้ชัดก็คือว่าเชื่อมโยงเข้าในสูตรต่างๆถามว่าเวลาเรียนเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเวลาหลัเจริญจริงๆเนี่ยต้องชัดเจนเนะต้องชัดเจนก็คือว่าในเวทนานุปัสนาสังเกตที่เราศึกษากันเนี่ยนะศึกษากันมาอย่างค่อนข้างยาวนานพอสมควรเนี่ย สวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาอยู่สวยทุกขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอยู่สวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่คำว่า ส, so สุขขังเวทนังบอกว่าเมื่อสวยสุขเวทนาที่เป็นไปทางกายหรือทางใจก็รู้ชัดว่าเรากําลังเสวยสุขเวทนาที่เป็นไปทางกายหรือทางใจท่านก็เลยยกอุปมาให้เราเห็นเลยว่าเปรียบเสมือนเด็กทารกเด็กทารกทั้งหลาย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 หรือกินน้ำนมแบบนั้นแหละรสจืดๆทุกวันทุกวันอ่ะจนเขาเฉยๆอย่างเงี้ยเขารู้ไหมว่าเขากาลังดื่มน้ํานมที่ประเภทรถธรรมดาธรรมดาอยู่เขารู้หรือไม่รู้การรู้ในลักษณะอย่างนั้นเขาไม่ได้ถอนอัตตาสัญญาหรือสัตตาสัญญาได้เลยเขาไม่ได้ถอนความเป็นตัวเป็นตนได้ไม่ได้ถอนเกี่ยวกันในเรื่องของความเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้แล้วเราก็รู้เราสวยสุขเวทนาใช่ไหมทกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้ทําไมจะไม่รู้เล่า ใช่ไหมมีคนด่าแล้วเป็นทุกข์ไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีคนชมแหมเดี๋ยวนี้สวยเหลือเกินเนี่ยเป็นไงก็สุขเวทนาเกิดขึ้นเฉยๆเจอหน้ากันเออไปไหนมาไหนสนทนากันอย่างนี้สุขเวอุเบขาเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้รู้อย่างนี้ไม่ได้คลายไม่ได้ถ่ายถอนอัตตาพิธิอัตตสัญญาหรือว่าสัตตสัญญาความเป็นสัตว์บุคคลเลยไม่ต่างอะไรกับเด็กทาโลกนอนแบ บ, บอกคนนั้นถ้ารู้เพียงแค่นี้เราก็คือเด็กคนนั้นนั่นแหละเด็กนอน ก็แกก็แกไม่รู้เรื่องเลยเขาย้าใจยังแล้วทุกวันนี้เรารู้แค่นั้นไหมถ้ารู้แค่นั้นก็คือยังปไปได้หนูในบอน่ออย่างเงยเข้าใจยังที่ท่านอุปมาเนี่ยเราคือเด็กอุปมาว่าเด็กนี่เจ็บปวดไหมเจ็บปวดไหมไม่เจ็บปวดเท่ากับอาปบท บ, บาปลอ้อยาปบท บ, บาปท่านยกสุนัขบ้านสุนัขกิงจอกน่ะว่ามันเดินก็รู้ชัดว่าเดินน่ะยืนก็รู้ชัดว่ายืนน่ะเมื่อนั่งมันก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนเท่า้น มันก้มตัวลงนอนล้มตัวลงนอนมันก็รู้ว่าถ้ารู้แค่นั้นเราจะไปต่างอะไรกันนั่นยกสุนัขบ้านสุนัข ก, กินจอกเลยอ่ะหนักไหมขนาดหนักขนาดนั้นยังถอนได้ไมอ่ะถอนไม่ได้นั้นยกเด็กนี่เบาแล้วใช่ไหมท่านยกเด็กมาอุปมาอยู่เบาแล้วนี่การคือการอย่างนี้เขาเรียกว่ายกอะไรเขาบัญญัติท่านบัญญัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัด ว่าท่านทั้งหลายต่อไปให้มนรสชการใหม่ถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นอย่าเด็กอย่าอย่ารู้อย่าให้หนูรู้ใช่ไหมตรงนี้ถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่าไปรู้แบบนั้นทุกเด็กเวลาเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นเด็กโกรธไหมโกรธโอ้โหตัวแดงเลยนะก็โกรธนะเวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ดีใจเนี่ยเขาหลงไหมหลงนะโกรธก็หลงใช่ไหมทุกขหลงเฉยๆเขหลงไหมหลงอีกเพราะเขาสําคัญว่าเป็น ตัวเขาเสวยตัวเขาได้รับสุขตัวเขาได้รับทุกตัวเขากําลังเฉยๆอยู่เขาสําคัญว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นถ้ารู้แค่นั้นก็คือรู้แบบเด็กรู้นั้นแต่การไม่ได้เอาเวทนามาวิจัยเห็นโทษหรือยังต่อไปจะรู้แค่นั้นไะก็ไปส ก, กิดกันบ่อยๆเจ้าหน้าพ่อก็ส ก, กิดพ่อพๆ อ, อย่ารู้อย่างงั้นนะรู้งั้นเด็กคนนั้นแหละจงรู้ รู้เวทนาเหมือนเด็กรู้อ่ะใช่ไหมนายไม่เนายเลยนะนยยนะงั้นจะต้องพัฒนาความรู้ให้มากกว่าเด็กคนนะั้นคือรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนาะเวทนาที่เป็นไปทางกายท่านก็นกำหนดรอบฉะนั้นคําว่ารู้ในที่นี้ไม่ใช่รู้ธรรมดาท่านใช้คําว่ารู้ชัดเหมือนกันหมดเห็นไหมเหมือนบอกว่าเด็กทารกเนี่ยเด็กทารกเด็กทารกที่นอนอยู่บนบ่เนี่ยเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นเขาก็รู้รู้ชัดนะ นั้นคำว่ารู้ชัดแบบเด็กกับรู้ชัดแบบผู้ใหญ่ไม่ต่างกันเลยใช้สาวพ่าประชานาติเห็นไหมนั้นประชานาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องต่างจากถ้ า, ถ, าถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หลักปฏิบัติทีนี้เอาท่านรู้ยังไงท่านวิจัยสุขเวทนาเนี่ยเป็นทุกขศาส์เห็นไหเป็นทุกขศาส์เพราะเป็นที่ตั้งของชาติทุกเป็นที่ตั้งของชาลาทุกเป็นที่ตั้งของพยาธิทุกเป็นที่ตั้งของมรณะทุก เปที่ตั้งของความโศก ค, ความลําไรลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความทับแท้ใจใช่ไหมเจวทนาเนี่ยนั้นแต่ตัวเวทนาทั้งหลายะถาม่าตอนนี้สุขเวทนาเนี่ยเวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นให้เดี๋ยวดูในชั้นของดีกาเนี่ยวดูดีกาเพ ร, รเดี๋ยวดีกาไปดูเนี่ยพยายามเดดูดีกาว่าท่านท่านสอนอยังไงแต่ชั้นว่านสัจธรท่านท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราดูดีกาที่จริงอะมาไม่ได้จากโคก็เรียกมาเลย มีหลายคนก็วตัวก็มาเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่คั้นไม่อะไรเขาวะอัลบาบอกยังยังยังยังฝึกไม่เป็นคือ <c oughs> อย่างนี้ในทางด้านของของเวทนาในทางด้านของเวทนานยคําว่ารู้ชัดเนี่ยนะรู้ชัดบอกว่าในขณะที่สภาวะของเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสุกเวทนาหรือทุกเวทนาต่างๆเป็นต้นนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านให้กําหนดกําหนดในที่นั้นก็คือการพิจารณาคือการใส่ใจเนี่ยนะ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 ทกขกรรมสุกเวทนาเกิดขึ้นในพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของที่จริงท่านในพิจารณาสุก้วยความเป็นทุกข์ขอไปพิจารณาทุกขเวทนาเหมือน่อลูกศรที่ปักไปนี้ต่างเนาะพิจารณาทุกขกรรมสุกเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยมเพราะอะไรอ่ะให้สังเกตอย่างนี้ถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นราคานุใสยินตามนอนใช่ไหมความยินดีความเบื่อเฟินจะตามมาไหมตามไม่ตามถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นปฏิกานุใส คือความโกรธความไม่พอใจจะนอนตามถ้าอาวิชาอทุกขมะสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยนะอวิชานุสัยคืความไม่รู้เนี่ยนะก็จะตามนอนเนื่องมองเห็นใช่ไหมสรุปก็คือมันมีกิเลสกระจายเราอยู่สามตัวราคะตามสุขเวทนาตัวพาณ น, นี่นะโทสะก็ตามทุกขเวทนาโมหะตามตามอะตามอุเบกขาเวทนานยู่หละเห็นไหมยัง เราจะเห็นชัดว่าถ้าอสุขเวตาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็หมายหัวได้เลยเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะตามมาด้วยราคาความยินดีความเพื่อเพื่อนมันคิดโดยทางตาเราอยู่หัวเลื่นใจใจจริงไหมเห็นของที่ดีๆแล้วมีสุขใจก็ตามมาด้วยโลภาทุกทีไหมได้ฟังเสียงเพาะตามมาด้วยโลพาไหมกลิ่นหอมๆโลพาตามไหมารสอร่อยอร่อยโลพาตามไหมล่ะสัมผัสที่นิ่มๆเอาเวลาจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราคิดยังไง เราคิดแบบเกรงใจโลภะหรือหรือเกรงใจปัญญาเราตามใจโลภะหรือตามใจปัญญาและขณะที่เอาเสื้อผ้ามาใส่เนี่ยพิจารณาก่อนหรือเปล่าว่ามนะบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่เพื่อเพื่อประดับนะไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งใช่ไหะแต่เป็นไปได้เพื่อการอยู่ได้เพื่อเพื่อเพื่อปกปิดความความละอายใช่ไหมแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนอื่น ม, มองมองแล้วเกิดตันหาราค้าคิดยั้ไงเพราะว่าเมื่อแต่ก่อนนี่นะ ถ้าเร า, ถ, าถ้าพิจารณาให้สังเกตดนูนะว่าเวลาเราไปพิจารณาเราไปไปบางคนอยู่มัธยมศึกษาไปก็ตั้งตั้งตั้งคิตไปก็ผิดแล้วตั้งคิตไปในกรณีที่เราจะใส่เสื้อผ้าชุดนี้เพื่อจะทําให้คนอื่นเขามองเราเยอะๆนี่เสมอนี่ตั้งตั้งผิดไแล้วตั้งผิดแล้วกลวองคิดดูเนาะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่ได้มัสยมการในพระธรรมคาสอนของพระเจ้าเนี่ย แค่เจตนาจะใส่เสื้อผ้าก็บาปแล้ว่เจตนาที่จะหยิบเสื้อผ้ามาสวมร่างเนี่ยอันเปื่อยเน่าเนี่ยก็บาปเนี่ยใช่ไหมก็เรามานสิการไม่เป็นท่านในทัศน์ทัศนะของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทัศนะของบุคคลที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอิดหมาละอาใจไหมก็คือท่านวิจัยมาหมดแล้วท่านวิจัยมาหมดใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยท่านวิจัยด้วยความเป็นทุกข์ท่านวิจัยด้วยความเป็นทุกข์อย่างที่บอกเลทุกข์ษัตริย์ในด้านของตา ท่านวิจัยเอาจักขู่ภาสาเนี่ยว่าดว้วยความไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตายัางไงท่านวิจัยทั้งปัจจาลักษณะทั้งสามัญยะลักษณะท่านวิจัยจึงครบถ้วนนะโดยสรุปก็คือว่าท่านควาก่อามามาพิจารณาหมดเลยท่านเห็นสายระยองลายเต็มไปหมดนะในลูกตาในสำนวนแต่ใช้ปัญญานะไม่ใช่มือควักนะปัญญาของท่านเข้าไปวิจัยหมดในตานั้นมันมีกี่ชั้นซับอยู่เป็นที่ตั้งของจักขู่ภาษาท่า ย, ยัางไงสัสัมภาระจักขู่เป็นยังไง วาดไปร้อมไปด้วยเส้นเอ็นใหญ่น้อยยังไงในนั้นะมีดินน้ําไฟลมประชมกันอยู่เกิดจากกรรมเท่าไร่เกิดจากจิตเท่าไหรเกิดจากอุตุเท่าไรเกิดจากอาหารเท่าไร่แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อกินอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงลูกตานั้นเป็นยังไงอาหารหมดแล้วทาให้ลูกตาเสื่อมยังไงอยู่ในอุตุยังไงทําให้ลูกตาดีอุตุยังไงทําให้ตาเสื่อมใช่ไหมแล้วจิตคิดยังไงทําให้ตาเสื่อมได้เร็วจิตคิดยังไงทําให้ตาอยู่ได้ทนแล้ว กรรมเหล่านี้หล่อเลี้ยงตานั้นอวิชาตันหากรรมในอดีตหล่อเลี้ยงยังไงท่านวิจัยขาดสะ บ, บัดหมดแล้วนี่นจะเป็นที่ตั้งของตันหาได้ไหมไม่มีเลยแล้วทุกอนูของร่างกายท่านเอามาวิจัยด้วยความปิทุกษัตริแล้วก็เห็นตันหาบวกกับกรรมบวกกับอวิชาที่ปิดปิดกันใช่ไหมแล้วก็กรรมเหล่านั้นก็มาเกิดมาเะอพบ ก, ก็สวมตาให้ปึบปึบปบนี่นี่มาจากกรรมหนึ่งอหู ไม่กรรมหนึ่งจมูกไม่กรรมหนึ่งลิ้นไม่กรรมหนึ่งกายไม่กรรมหนึ่งใช่ไหมหัวใจไม่กรรมหนึ่งเอาสิเดี๋ยวนี้แต่ละกรรมแต่ละกรรมมาก็เป็นโรงงานผลิตเลยอะตันหานเป็นเจ้ากลมใหญ่ผลิตให้ใช่ไหมตัวกรรมบวกกับตันหาอาวิชาก็ปิดเอาไปเฮืนอยังไงรางวัลของความของการเป็นมนุษย์เอาเอาไปสิเอาไปไปเสร็จเดี๋ยวพอหมดทีเ่เหลืออีกเยอะที่คุณทําไว้อ่ะ เพราะในปัจจุบันเนี่ยพบเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่คุณทําไว้มากมายนะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอย่างอย่างมือมาที่รอมาเวลาใกล้ถึงวรานาสถานการณ์ก็มาแล้วมานําเสนอเจ้าลิ้นแบบไหนที่คุณทําไว้ทั้งนั้นเนี่ยอะไรอย่างดีก็ได้เอาคงทนก็ได้เนี่ยอยู่ยยืน ย, ย, ยาวกี่ปีก็ได้เจ้าตาแบบปลาไอเอาปากแบบปากปลาฉลามก็ได้ใช่ไหมก็ให้เอาตาแบบตาจาระเข้ก็ได้ บบเอาใบยาสัตว์ก็ได้ใช่ไหอันนี้คือกรรม เ, เป็นตัวจัดสรรทำให้เบเศเข้าใจก ร, รมเปเป็นไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตัณหา เ, เป็นสมุทยเป็นเหตุเกิดนี่เป็นนีนั่นตัวเวทนาเรเป็นกผลิต ร, รูปแล้วในส่วนของเวทนาขันใช่หในส่วนของเวทนาขั น, นถ้าหากดูปัจจัยในอดีตเอาวิชาตัหากรรมหใช่จะเวิชาตัณหากรรมนั้นเป็นปัจจัยในอดีแล้วก็มีอะไรผัสะปัจจัยในปัจจุบันพบแล้วก็คือการเกิดขึ้นของเวทนา ทุกทุกเวทนาที่กําลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ฉะนั้นเวทนาเนี่ยอะไรเป็นปจัจจัยมีภาษาเป็นปจัจจัยแล้วก็มีวิชาตรรกะกรรมในดีใช่ไหมอันนี้คือเป็นปัจจัยในด้านของอุปนิสัยเป็นต้นหรือในด้านของศาสตราชาตรกรรมเออไม่คล้อยนานคณิกักรรมะปะจัจจัยเป็นปัจจัยที่ให้ผลต่างขนาดอย่าลืมถามว่าเวท น, น, นาเนี่ยเวทนาจะเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ไหนตั้งแต่ปฏิสนธิการเนี่ย ฉะนั้นในขณะที่เราเกิดขึ้นมาครั้งแรกกาละละนี่นยตอนนั้นเวทนาเกิดแล้วมันเกิดพร้อมกับรูปธรรมอยู่ไหมแล้วมันก็แตกดับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอเวทขาสลับซับสับเปลี่ยนกันมาอยู่ตลอดเวลาและในปัจจุบันเนี่ยพราะเราไม่รอบรู้เวทนาด้วยความเป็นทุกข์คาว่าสัมมาสัมพุทธะในพุทธิยถาตัสรู้เลยเวทนาด้วยความเป็นทุกข์กษัตริย์เวทนาสมุทัย ก, ก็คือตัณหาคือสมุทัยเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดของเวทนา เวทนาที่โรธาถ้าดับได้ถาวรเ ม, มื่อไหร่ดยอาลัมัคเนี่เวทนาจะไม่มีต่อไปในอนาคตเวทนาจะไม่มีต่อไปถ้าตราบใดเรายังเกี่ยวข้องกับเวทนาและหรือเรายังออกจากเวทนาไม่ได้เนี่ยและในปัจจุบันนี้เราออกไม่ได้ด้วยเพราะเหตุปัจจัยยังไม่พอต่อการรอบรู้เวทนาใช่ั้นวิ่งไม่เหรอสํานวนก็นจะมามาใช้คําว่าวิ่งออกจากตาหูจมูกเิ้นกายใจยไม่ได้ตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยในยนตบาลในหลวงคือคุกดีๆอที่ไปที่มันไปด้วย พอมันด ah ับภบนี <Yes. S 1> ้ปุ๊บม <K> ันก็ไปปฏิส่วนที่ใหม่ก็เป็นมีตาหงุดหงิดริ้งกายใจอีกและเหลืออีกมากที่เราสร้างกรรมที่จะต้องแบกตาหงุดหงิริ้งกายใจนี่คือคุกในสังสารวัตนี่แหละคือคุกในสังสารวัตที่สัตว์โลกเจ็บปวดกันมากแล้วออกจากคุกในสังสารวัตรนี้ไม่ได้เลยเหตุที่ออกจากคุกในสังสารวัตรนี้ไม่ได้ออกจากสังสาระนี้ไม่ได้เขาเพราะอะไรรู้ไหมสัตว์นั่นไม่ได้ตัดสู้สัตว์นั่นไม่ได้ตัดสู้ไม่ตัดสินตามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านะท่านอนุปาทาปรินิพพานแปลว่าท่านออกได้แล้วใช่ไหมแต่เราออกไม่ได้นะ่ะเอาสิไปไหนมันไปดึกแล้วก็เดินออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ศึกษาคําสอนต้องคนรีบเร่งใช่ไหมศึกษารายละเอียดก็รีบไปไปไ ป, ปฏิบัติไปใค้ควรไปไม่รอดอีกแหละออกไม่ได้ดูเหมือนจะได้ไม่ได้เหมือนจะได้ไม่ได้ข้อไม่อพอข้อมูลไม่พอส่วนพวกที่กําลังใข้ควรอยู่กําลัง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 เอามาฟังยิ่งยากใหญ่เลยนะจะหาคนมาฟังก็ยาก <c oughs> ฟังแล้วจะเข้าใจก็ยิ่งยากอีกเนีเข้าใจแล้วสามารถเอาใข่ครวรปฏิบัติได้ยิ่งยากใหญ่ปฏิบัติแล้วจะให้เป็นไปตามลําดับยิ่งยากเป็นไปตามลาดับจะให้รู้แจ้งก็ยากการรู้แจ้งแล้วจะได้รู้แจ้งให้แทงตลอดจริงๆอ่ะก็ยิ่งยากใหญ่ <Seg undo. S 1> เป็นต้อนอะไรเนี้ยนะลาดับทุกการยากมันจะเป็นไปตามระดับตามสเต็ปเหมือนมันเป็นอย่างนะี้มองเห็นยังล้วว่าทั้งๆ ท, ที่เราเข้าใจเลยนะว่านี่ใช่แล้วเป็นแนวทาง โอ้โหงานเยอะจย่างท่า น, ท, านท่านเขียนด้ไหมไม่ได้คือปัญหาจริงๆมันอยู่หลายประเด็นเลยถ้าตรงนี้นะประเด็นตรงนี้ละมันมากเลยหลายประเด็นก็คือว่าประเด็นแรกก็คือว่าหนึ่งรู้รู้จักเวทนาไม่พอรู้จักภาษาไม่พอคาว่ารู้ไม่พอนั้นก็คือว่าไม่สามารถจะประชุมเวทนาทุกเวทนาลงอริยสัจได้มด น, นี้นี่คือการรู้ไม่พอไม่สามารถจะรู้ว่าสุขเวทนาใช่ไหมเช่นว่าจากักขูสัมผัสสชาเวทนาเนี่ย มองอาศัยตาและรูปเกิดจากกุญญาณการประชุมต้องทำสารประการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุบาทานเพราะอุบาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพพเพราะพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรนาโสกกาลปิฎีเดวะทุกขโทนนะสารเลบายาสมอุย่างนี้นะอันนี้คือหลักขึ้นแนวเนาะอันนี้คือสายเกิดของปฏิจจสมบาทิใช่ไหมถ้าสายดับเลยจบเลยแบบนี้นะนี่สายดับไม่ได้แล้วได้สายเกิดเนี่ยนะนะ อัน น, นี้นี่แค่นี้ยังเดินไม่ได้แล้วเนาะอันนี้ขนาดเดินนะเดินวิธีคิดแค่นั้นนะแล้วยังต้องไปวิจัยแต่ละตัวอันนี้โอ้โหเป็นเรื่องเลยอ่ะถ้าวิจัยดูนะวิจัยรอบหนึง่งเราจะจะเข้าใจว่าเราเ อ, อเรายังไม่เหมาะสมจริงๆว่าจะตัดรู้หรือไม่เช่นว่าทางจากรคูนี่นะาทางจากรคู่เวานี่นะกว่าจะไปถึงเวทนาเนี่ยนะดูเวทนานก่อนนึงพวบเวทนาเนี่เวทนามีภาษาเป็นปจนะัจจัยเนาะที่เวทนานเขาเรียกจักขคู่สัมผัสสชาวเวทนาน ที่ทำไมเสียงสะท้อนปุ๊บ ๆ, ๆุ๊ปุ๊บปุ๊เมื่อกี้เสียงไม่สะท้อนเท่าไรอ่ะไม่เป็นไรทีนี้เออลองตบๆนี่ทำไสะท้อนเงี้ยมันสะท้อนเงี้ยย้อนกลับทีนี้ทหารบอกว่านี่ฟังฟังเข้าใจใช่ไหมชัดไหมฟังชัดไหม น, นี่สะท้อนอูููหน่อชัดดีเนาะ<อ><อ>คือตัวเวทนาเนี่ยคือตัวเวทนาถ้าจักขู่สัมผัสชาเวทนาแต่ว่าเวทนาที่มาทางจากักขุทวันนี่เวทาจาักขู่สัมผัสชาทุกเวทนาก็บนี้ จกักขูสัมผัสชาสุขเวทนาก็มีจกักขูสัมผัสชาอาทุกคมสุขเวทนาก็มีเจ๊ะไหมเอาละสิทีเนี้ยเออเวทนามีสามสุขทุกขเวขาเมื่อกี้บอกแล้วเจ๊ะไหมสุขเวทนานั้นน่ะถ้าใครควรไม่เป็นนั้นจะตามม่ด้วยตัณหาทุกเวทนาใครควรไม่เป็นหรือกันไม่เป็นจะตามม่ด้วยโพสัอาทุกคมาสุขเวทนาถ้าใครควรหรือวิจัยไม่เป็นจะตามไม่ด้วยโมหะนี่นะเนี้ย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 แล้วก็มาจากอะไรมาจากรูปารมใช่ไหมมาจากทศภู菩萨ทำสามอย่างประชุมกันอาการที่ทำสามอย่างประชุมกันนี้พระองค์เรียกว่าพรษาเอาเลยสิทีนี้พอเรียกว่าพรรษาเนี่ยจากครูวิญญาณเป็นขันอะไรเป็นวิญญาณนะขันทําไมต้องไปรู้จากครูวิญญาณเป็นอาญาตนะอะไรเป็นมนายญตนะจากครูวิญญาณเป็นธาตุอะไรเป็นจากครูวิญญาณธาตุทีนี้ทําไมต้องรู้ท่านต้องการให้เราทราบบอกว่า ไม่ใช่สัตว์บุคคลจริงๆแท้ที่จริงเป็นขันอายตนาธาต์กาลังดําเนินไปจริงๆจะได้เห็นเป็นสภาวะของขันาธาตุอายตนะเท่า น, นั้นกําลังดําเนินไปอยู่อันและสภาวะธรรมที่อยู่ในจักรุยัญยาณอยู่ในมนาอายตนะที่อยู่ในจักรุยัญญาธาตุเล่าอันนั้นเขาเรียกว่าธรรมมาอายตนะเขาเรียกธรรมาธาตุเห็นไหมธรรมทีตาธรรมเนยามะตาไงเห็นไหมโอ้มันเป็นอย่างเนี้อ่ะ มันเป็นอย่างเนี้ยว่างั้นเถอะทีนี้จะไปดูอ๋อมันเป็นอะไรเวทนาขันอยู่ในนั้นสัญญาขันอยู่ในนั้นสังขารขันก็อยู่ในนั้นตัวจักรวิญญาณก็เป็นวิญญาณขันโอ้โหนี่ไงเวทนามาอยู่ตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนทีนี้ในบรรดาขันนามขันสี่เหล่าเนี้ยอาศัยอะไรในจักรุทวาลอาศัยจักรคุประสาตเป็นไปอยู่ใช่ไหมไอตัวจักรคุปสาตคือรูปขัน โอแท้ที่จริงคือการเป็นไปของขันอายตนะธาตุจักรกาลังดําเนินไปอยู่นี่เขาเรียกสังสาระมันเดินทีนี้พอจักขูวิญญาณนั้นไปรู้รูปอารมณ์อยู่ไหไปรู้เสียงเออรู้สีรู้ภาพรู้สีรู้แสงแสงสว่างเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าจักขูวิญญาณเป็นผู้เข้าไปเห็นได้ทําทัศนะเรานึกว่าเราเห็นเน่ยเห็นไหมความรู้ที่เราสืบค้นมาบอกว่าเราเป็นผู้เห็น แท้ที่จริงจากขวิญญาณนี่ยเป็ผู้เห็นไอ้สีคือรูปารมเนะี่ยคือเป็นผู้ถูกเห็นมันเริ่มเห็นแนละโอแท้ที่จริงนะเป็นสาภาวะของสาภาวะธรรมนะียคือรูปนามขันห้าที่มันกําลังทํากิจของเขาอยู่ในการทําทัศนกิจคือการเห็นสัญญากระจามอารมณ์ใช่ไหมสังขารกับปุงแตง่งเวทนาก็เสวยอารมณ์ใช่ไหมวิญญาณก็เข้าไปรู้รูปารม์เป็นต้นทีนี้ตัวรูปารมเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นรูปในรูป เอาละสิแค่ยังไงธรรมะเนี่ยมองไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเห็นยมเนี่ยโยมมีรูปอยู่ยี่สิบเจ็ดรูปแต่รูปที่จักขูวิญญาณที่เกิดขึ้นทางจักขู่ทวา น, าานุ่นธรรมะนี่ไปเห็นเนี่ยเห็นรูปเดียวเนี่ยก็เห็นสีเท่านั้นเองรูปนอกนั้นไม่เห็นอีกใน้ายี่สิบหกลูปนี่กเรื่องจักขูวิญญาณทำกิจในการเห็นรูปในรูปรูปแค่นี้พอไหมไม่พอจักขูวิญญาณนั้นไม่กําหนัดจักขูวิญญาณนั้นไม่ขัดเครือง จักครูวิญญาณนั้นไม่ลุ่มหลงในสีในลูกในรูปอารมณ์นะเอาแล้วทําไมละ่พะพออยู่ต่อมาเมื่อชาวนะแ ป, ปล เ, เปลี่ยนเมื่อวิถีจิตแปลเปลี่ยนเบียดไบแล้วทําไมความกําหนังเกิดขึ้นในใจเราทําไมความขัดเคืองเกิดขึ้นในใจเราทําไมความลุ่มหลงเกิดขึ้นในตัวเราตรงนี้ชาวนะใช่หไหมเกิดขึ้นถึงชาวนะอ๋อเนี่ยเพราะเราเห็นเราเกิดความยินดีนเกิดความยินร้ายเราเกิดความลุ่มหลงในสีในวันนะ เพราะเราไม่ตั้งโยนิโสมนสิการก็ไว้เราไม่ได้มัดนัสสิการก็ไว้ไม่เอาจากขูวิญญาณมาเป็นประมาณท่านให้เอาจากขูวิญญาณมาเป็นประมาณบอกว่าจากขูวิญญาณไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่รุ่มหลงชั้นใดเราโดยสมมุติเล้นะจักตั้งชาวนะจิตที่เกิดขึ้นสืบต่อเป็นไปอยู่เนี่ยโดยเอาจากขูวิญญาณนั้นเป็นเปรียบเทียบเึ็นข้อเปรียบเทียบเป็นประมาณจักไม่กำหนัดจักไม่ขัดเคืองจักไม่รุ่มหลง ในสีในรูปารมณ์เคยตั้งแบบนี้ไปแล้วตั้งบ่อยๆไหมถ้าตั้งเคยรู้ถึงขนาดนี้ไปแล้วยังไม่ถึงใช่ไหมนี่เริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆยังไม่กู้ควรในการตัดสู้จริงๆใช่ไหมไอ้ทีนี้เราก็ตั้งมนติศศการว่าจะไม่ให้ความตำหนักความขัดเคืองความรุ่มห ล, มลมงเกิดขึ้นในโชนะเมื่อตั้งมนติศศการอย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วพอไหมไม่พ อ, อยังไม่พออีกเอาวิจัยรือต่อไปอีกทีนี้วิจัยยังไง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 มีสังขารอาวิชาปัจจยาสั้งข้าราสั้างขาเราปัจจยาวิญญาณังเห็นไหมเห็นไมอ๋อวิญญาณคือจักขูวิญญาณมีสังขารคือมีเจตนากรรมในอดีตเป็นปัจจัยเอาเจตนากรรมนี่ถามว่าจักขูวิญญาณนี่เป็นกุศลจักขูวิญญาณหรือเป็นอกุศลจักขูวิญญาณเอาทีเป็นจักขูวิญญาณที่มองรูปรูปที่เป็นบุญหรือรูปที่เป็นบาปถ้าหากว่าเป็นจักขูวิญญาณที่เป็นกุศลก็มาจากเจตนากรรมที่เป็นกุศล ไอเจตนากรรมที่เป็นกุศลทําไมสามารถผลิตจากขุญยานที่เป็นกุศลได้เพราะเจตนากรรมที่เป็นกุศลนั้นมีตัณหาแวดล้อมอยู่ในดีสมุทรไทยไงอา้าวทำไมมีตัณหาแวดล้อมอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ว่าตัณหาเกิดแต่วิชาเกิดไหมเอวิชาเป็นราชาธิบดีเป็นใหญ่ยอยู่แล้วปกคลองเห็นไหมนั้นอวิชาก็ปกปิดตัณหาก็เชื่อมติดอุปโภกรรมก็ทํากรรมปรารถนาตาจะปรารถนาจากขุญญาณที่เป็นกุศลแล้วก็ได้สมใจอยาก สนใจนึกเลยเออเราก็ได้ตาในปัจจุบันนี้แหละที่มาเกิดทากิจทาทัศนกิจในการเห็นรูบามรมแต่ะครั้งนี่แหละเพราะว่าโรงงานเจ้ากรมใหญ่คู้ตันหาผลิตมอกให้เอาซิมอกให้จนกว่าคุณจะหมดเหตุหมดบัจจายของเขาอ่ะกุศลกรรมเขาจะผลิตเอาจะให้จักคูยาญเกิดกับโยมสุภานหงนี่นะจนถึงอายุกี่ปีก็ว่าไปถึงเวลานั้น อุตสาหกรรมนั้นหมดกําลังลงก็ปิดสนิทโรงงานนี้ปิดแล้วเข้าใจยังใช่ไหมโรงงานถูกปิดแต่ยังรักทิเลตไม่ได้ก็อยู่อย่างผู้มืดมิดไปถ้าส่วนอื่นยังไม่หมดนะถ้าหมดไปก็ตายไปก็ไปรักตานะยาเข้าใจใช่ไหม อ, อันนี้มียังไม่พอแค่นี้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนที่สองอีกเพรรู้จากรูปนามแล้วรู้ปัจจัยของรูปนามแล้ะปัจจัยของรูปนามมันไม่ได้มีแค่นี้เออไม่ใช่มีแค่นี้ ยึ่งบอกมันไม่พ อ, อจริงอะทีนี้ตรงนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเวลาเราแค่ควรในลักษณะนี้ก็ยังไม่พอใช่ไหมเมื่อยังไม่พอก็คือไปพิจารณาประการต่อไปก็คือว่าแม้รูปารมณ์ที่ก็เป็นธรรมะ ท, ที่เกิดจากปัจจัยใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นรูปารมณ์ที่อยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยรูปารมณ์เกิดจากกรรมก็ได้ เกิดจิตก็ได้เกิดจะกอุตุก็ได้เกิดจากอาหารก็ได้เอาสิเขาไม่ได้เกิดขึ้นโดยลอยๆเลยทุกอย่างนั้นมาจากเหตุปัจจัยหมดเลยทีนี้ในเวดาปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมันยังมีปัจจัยที่เกิดพร้อมกันกับเขาด้วยที่เป็นปัจจัยใกล้ชิดทั้งเป็นสาชาต่าสาชาตานิสยาสาชาตัดทีสาชาตาวิขตาเป็นต้นทั้งเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นสืบติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างท่านอีกก็เยอะทั้งเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยให้กับเขาอีกก็เยอะ เช่นจากคุป萨ธาเป็นต้นเหล่านี้เป็นที่อาศัยกับจากวิญญาณเป็นต้นฉะนั้นในบรรดาปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะ่ะทาไมต้องรู้ปัจจัยเออประการต่อไปเนี่ยทําไมต้องรู้เราจะไม่รู้ได้ไหมไม่ได้เพราะการที่เข้าไปเห็นไปเข้าใจปัจจนะัยนั้นหนึ่งป้องกันอุเฉะทิฏฐิแลนะสัตสตตาทิฏฐิเป็นต้นเพราะถ้าหากไปเห็นอย่างนั้นแพทย์เ อ, อ่ยหมอเ อ, อ่ยไปเห็นอย่างนี้ก็กลายเป็นเห็นผิดกันเยอะแยะหมดเพราะเขาไม่รู้ปัจจัยใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้ปัจจัย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 เห็นด้วยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยประการต่อมาเขาก็เห็นว่าปัจจัยนี่นะอาวิชาตัณหาและกรรมไม่เที่ยงใช่ไหมรูปอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ให้กระจัดคุญาณก็ไม่เที่ยงและจักคุญาณจัดเที่ยงแต่ที่ไหนนะแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดร่วมกันกระจัดคุญาณก็ไม่เที่ยงแม้จักคุภาษาเป็นที่อาศัยกระจักคุญาญมิตรก็ไม่เที่ยงและจักคุญาณจะเที่ยงได้แต่ที่ไหนใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นโทษ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 เมื่อเห็นอยู่เข้าใจอยู่ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตธรรมขปหานเกิดวิปาาัสนาญาณมันเกิดแบบนี้เพราะตธรรมขปหานเกิดวิปัสนาญาณเกิดขึ้นมาเบเ็ดเสร็จอย่างนี้เบเ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจิตของเขาก็น้อมก็หาอะไรนิสรณะวิเวกคือพระนิพพานโดยอัจฉาสยะอัจฉรยะโดยอัอทยาศัยใช่ไหมฉะนั้นเขาจะพิจารณาว่าสภาพของจักวิญญาณ โส ต, ตวิญญาณค่ยายายาะนะวิญญาณจิตวญาณกายยัญาณและมโนญาณสภาพของรูปนามขันห้ามันาเป็นสภาพที่ไมีเที่ยงแต่สภาวะของนิพพานนั้นเป็นสภาพที่เที่ยงแท้สภาพของรูปนามขันห้ามันเป็นทุกเป็นทีนท่ตั้งของชาติทุกชราทุกมรณะทุกข์เป็นที่ตั้งของความโศก ค, ความร่ำไรรำพันเป็นต้นแต่พระ น, นิพพานนั้นพ้นจากชาติทุกชราทุกมรณะทุกขเห็นไหมเขาจับน้อมเข้าหาพระ น, นิพพานเป็นอัธยาศัยตลอดอย่างนี้ต่งนั้น แลทุกครั้งเนี่ยเวลาเห็นอ น, นิจจังทุกครั้งาตาแต่ละครั้งอัจฉริยะหรืออนุสัยหรืออัจฉิยาศัยของท่านเหล่านั้นจะมีน้อมก็หาพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่สงบเย็นและดับรูปน้ํากันฮมันจะไปอย่างนี้อัจฉิยาศัยเขาจะไปอย่างนี้เขาจึงมีความสุขเขาเห็นทุกใจไม่เป็นทุกเพราะเขามีนิพพานเป็นสาระนะเห็นไม่เที่ยงแต่เขาน้อมใจเขาไม่เบื่อหน่าย เขาเบื่อหนายขันแต่เขาไม่เบื่อนายที่จะแทงตลอดทะลุพานิพานจิตก็จะน้อมไปโอนไปเอียงไปเขาเรียกว่าไปสู่พานิพานโดยอัตยาใยโดยอัธยาใยถ้าเห็นจริงมันจะต้องไปอย่างนี้เข้าใจจริงมันจะต้องไปอย่างนี้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าส่งไม้ต่อกันอยู่ตลอดส่งไม้ต่ออยู่ตลอดเวลาเพราะในที่สุดจริงๆเมื่อจะทำขอาหารทํากิจชัดขึ้นชัดขึ้นจนเป็นอัธยาสใยไปจนถึงสมุเทเธท ชื่เป็นอาราธนามัคหรือชื่อเป็นโสดาเป็ิมากเป็นต้นตรงนั้นแหละเขาจะมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยไม่ต้องน้อมเลยโดยไม่ต้องน้อมแล้วเขาเรียกว่ากิเลสขาดพุ๊บเขามีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิสสารนวิเวกมีนิพพานเป็นอารมณ์นปัจจัยชัดเจิตกิเลสก็หลุดจากกมลสันดานตามสภาพของมัค้นนั้นเกิดขึ้นนันเป็นอย่างนี้แต่ต้องน้อมไปในพระนิพพานทุกครั้งตรงนั้นเพราะอะไรรู้ไหม สัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธิใช่ไหมมีความเพียรมีสัมมาชัญญามีสติยังไม่แข็งแรงพอให้อาหาราน้อยเลยพอเขานำเสนออยู่แล้วอารมณ์ใกล้าตายเยอะแยะนะยิ่ที่ว่ากุศลกรรมเรื่องกุศลกรรมกนกินเป็นไปไม่ได้ถึงจะเป็นอุบัติเหตุขนาดไหนก็จะต้องมีวรานาสนาิการคืออารมณ์ต้องปรากฏสมมุตินะ ส, สมมตินนะสมมติว่าอุบัติเหตุตูมบางทีก็จับอารมณ์นั้นแหละอารมณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วแล้วก็มรณาสถา น, านาการเกิดขึ้นแล้วประจุติจิต ด, ดับปฏิสนทีก็มีนั่นแหลเป็นอารมณ์คือความตกใจกลัวนั่นแหละเออไอความตกใจกลัวมันเป็นอารมณ์ก่อนตายตายได้โทโาสะก็นั่นแหละอบายทุกขติวิธิบาตในโกบางคนก็น้อมเลืกถึงบุญได้ในขนาดนั้น ก็ <Orleans> ั <it> ่นแหละอารมณ์ก่อนตายนั่นแหละก็เป็นสุคติเป็นที่ไปเบื้องหน้าใช่ใช่ก็ปัญหาว่าอัธยาศัยของท่านผู้นั้นแหละในชีวิตประจําวันจริงๆคิดบุญหรือคิดบาปมากถ้าคิดบุญมากคิดน้อมไปในบุญอยู่เป็นอัธยาศัยเลยของท่านผู้ น, นั้นโอกาสปยายไปสุคติก็สูงแต่ถ้าหากใจที่น้อมไปในบาปเป็นส่วนมากยากมากนั่นแหละถึงบอกว่าเราจะทํายังไง MM ชีวิตจริงๆริงเนี่ยยูยังประหม่ามากใช่ไหมเขาถึงบอกว่า เหมือนที่นายธนิยะบอกว่าตัวเองรู้จักภรรยาของตัวเองเดีอ่ะพุทธเจ้าบอกดูก่อนธนิยะเธอเป็นเธอไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะรลยตรงคืออย่างนี้เลยนะถ้าอัฏฐะตรงนั้นออกมาเนี่ยอัฏฐะความหมายอีริงๆก็เธอจะรู้ได้อย่างไงเธอไม่ได้อบรมจิตอย่างยาวนานมาในสัมสารวะวัตเธอจะไปรู้ได้อย่างไรขนาดจิตของตัวเองยังไม่รู้อยู่นะจะไปรู้จิตของคนอื่นตอนตายตอนสลบตอนหลับ ก็เหมือนกันตรงชวนะอ่อนแอทคําว่าอ่อนแอในที่นั้นก็หมายความว่าอ่อนไหวมากอะไรให้เกาะเกาะหมดอารมณ์นั้นนะอารมณ์อะไรที่มาเป็นใหญ่มาเป็ น, นมิตรตรงนั้นนะเกาะทั้งนั้นอารมณ์ที่เป็นดีอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายก็เกาะโดยสรุปอย่างนี้นะคนไหวยน้ำใกล้ตายเนี่ยที่ควายหยาบหยาบกาบมะพร้าวห้งแห้งลอยมาแล้วเกาะพขาช่วยพยุงกายได้นั่นแหละเหมือนกัน น, นี่ชัดเอจนว่ะ ถ้าขอนไม้ดีๆมาก็เกาะเอานี้นะงูใหญ่วิ่งผ่านหน้ายังกอ่อนเลยกต้องจะตายตก็เกาะกันก็ใช่ไหม อ, อกขาข่าวยังมีเยอะแยะงูก็จะตายคนก็จะตายขอเกาะหลังงูหน่อยอก็เกาะไปทั้งท้า ท, ที่คนกลว ง, งูก็แค่ตายเข้าใจใช่ไหมใช่ฉะนั้นมิมิตรไม่ดีมาก็เกาะมิมิตรดีมาก็เกาะคนใกล้ตายก็คือคนอ่อนแออ่อนแอมากกิจจะอ่อนแอมากเหมือนต้นเองอโหยหาที่เกาะ พอมีวุบเข้มาเลนึงก็เกาะอันนันแหละ่นเคยเคยลองกาหนดดูนะคะเออเราองกาหนดดเสียาว่าตายกับกับหลับนี่มันเหมือนกันให้ลองกาหนดดูได้ก่อนก่อนจะลับเนี่ยมันใจเข้าหายใจกจับไม่ได้สักทีมันไม่เคยรู้สตีอ่ะไม่ว่าหายใจเข้าแลยใจออกหลับไปเียแล้วมันเหมือนแม่เหมือนคนตายแมคนตายที่ว่าเออขณะที่กินกระดับเนี่ยหรือว่าสลบเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยใช่ห มันเหมือนตอนปฏิบัติกานพยายามปฏิบัติว่าเอ้ยกำลับลมหายใจขับออกแล้วอยากจะรู้ว่าไอ้ตอนที่เราหลับเนี่ยอ๋อถ้าต้องการนะต้องถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าตอนที่ว่าจะดับขันวิจุติจิตจะเกิดกันยังไงนี่นะอ๋อต้องเป็นพระหันชัดเลยนะออกจากสมาบัติท่านคํานวณจิตของท่านได้เลยความารบอกได้เลยนะท่านที่ช่ำชองเนี่ยผมเดินไปนี่นะท่าผมเหยียบเส้นที่ขีดไว้เนี่ย ผมจะปรินิพานตรงนี้เพราะท่านก็เดินกำหนดไปจริงๆนะพอเท้าเหยียบที่เส้นที่ขีดไว้พุบนี่ท่านปรินิพานในท่ายืนเลย